วิถีแห่งความรู้แจ้งเล่มสองฉบับปรับปรุงความในใจผู้เขียนได้เขียนหนังสือเรื่องวิถีแห่งความรู้แจ้งสองไว้เมื่อ30กรกฎาคม4 5เมื่อเวลาผ่านมา ผู้เขียนเห็นสมควรปรับปรุงหนังสือเรื่องนี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นเพื่อประโยชน์แก่เพื่อนนักปฏิบัติทั่วไปพระปราโมทปาโมโช30ก ร, รกฎาคม2549ใจความ 1. สิ่งใดคือจุดมุ่งหมายของพระพุทธศาสนาคือความพ้นทุกข์สิ้นเชิง 2. ความทุกข์คืออะไรคือ 1. ความไม่สบายกายและความไม่สบายใจ 2. ความทนอยู่ไม่ได้ของสิ่งปรุงแต่งทั้งปวง 3. ความอึดอัดขัดข้องหนักหน่วงและดิ้นรนของจิตด้วยอำนาจความอยากในเวทนาและความยึดถือในขันและ 4. อุปาทานขันชาติรูปนามกายใจเป็นทุกโดยตัวของมันเองไม่ว่าจิตจะมีความอยากและความยึดถือหรือไม่ก็ตาม 3. ความทุกข์เกิดจากอะไรเกิดจาก 1. ความไม่สมอยาก 2. ความอยากหรือตัณหาและ 3. ความไม่รู้อริยสัจส์ 4. ทางแห่งความดับทุกข์ ทางเดียวสำหรับการดับทุกข์สิ้นเชิงคือมักมีองแปลหรือศีลสมาธิปัญญาย่อลงมาเป็นการเจริญสติหรือการตามสังเกตการกายใจของตนจนเกิดปัญญาเข้าใจความจริงว่ากายกับใจเป็นตัวทุกข์จิตก็จะหมดตัณหาอุปาทานคือตัณหาที่รุนแรงภพคือการทำกรรมทางใจ ชาติคือความได้มาซึ่งรูปนามหรืออายตนะและปล่อยวางทุกข์คือรูปนามโดยอัตโนมัติ 5. การเจริญสติคืออะไรคือการระลึกรู้ถึงสภาวธรรมที่กำลังปรากฏ ต, ตามความเป็นจริง การระลึกรู้ทำอย่างไรต้องหมั่นตามรู้รูปนามกายใจเนืองๆจนจิตจดจําสภาวะของรูปนามได้แล้วสติจะเกิดขึ้นเองเมื่อรูปนามที่จิตรู้จักแล้วปรากฏขึ้นศัตรูของการระลึกรู้ที่ถูกต้องได้ แ, แก่ความสุดโตงสองด้านคือการหลงตามกิเลส ไปแสวงหาอารมณ์ทางทวานทั้ง6และการบังคับกฎข่มกายใจของตนเอง 7. สภาวะธรรมคืออะไรคือรูปธรรมและนามธรรมที่ประกอบกันขึ้นเป็นร่างกายจิตใจอันเป็นกองทุกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เป็นความคิดฝันหรือจินตนาการเอาเอง กำลังปรากฏหมายถึงอะไรหมายถึงสภาวธรรมที่ปรากฏเป็นอารมณ์ปัจจุบันในขณะจิตต่อหน้านี้ผู้ปฏิบัติต้องไม่หน่วงอะไรถึงสภาวธรรมในอดีตและไม่กังวลถึงสภาวธรรมในอนาคต 9. ตามความเป็นจริงหมายถึงอะไร หมายถึงรู้ลักษณะของสภาวะธรรมตรงตามที่มันเป็นคือเป็นไตรลักษณ์และไม่เข้าไปแทรกแซงสภาวะเหล่านั้นด้วยความอยากคือตัณหาและความเห็นผิดคือทิฏฐิสระลึกรู้แล้วได้อะไร 1. 1. ได้ความอยู่เป็นสุขในปัจจุบันของจิตผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบาน 2. ได้ความละอายและเกรงกลัวต่อบาป 3. ได้ความสมบูรณ์แห่งศีล 4. ได้ความตั้งมั่นของจิตหรือสัมมาสมาธิ 5. ได้สัมมาทิทฐิเข้าใจตนเองเข้าใจผู้อื่นและเข้าใจธรรมะ 6. ได้ความเบาบางจางคลายจากความยึดถือทั้งหลาย 7. ได้ความหลุดพ้นและ 8. ได้ความรู้เกี่ยวกับธรรมแห่งความหลุดพ้น